สำหรับเรื่องพระเจ้าคุบาลในตอนนี้เป็นตอนที่สองความเจรยงเรื่องของท่านไม่มีตอนแต่ถ้าว่าในตอนนี้พูดถึงตอนที่กล่าวเป็นวันๆไปสําหรับในวันนี้ก็จะขอพูดก็จะขอประลบต่อตอนเมื่อวานนี้แต่ว่าตอนเมื่อวานนี้มีข้อหน้าคิดอยู่ข้อหนึ่ง เมื่อตอนที่ท่านนาฬิกาเจดีย์ทีท่านปรารบว่าองค์สมเด็จพระสัมส ม, มาสัมพุทธเจา้าเป็นสุขมุมาลชาติเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าอย่างหนึง่งและก็เป็นกษัตริย์อย่างหนึง่งที่นั้นท่านยังไม่ปรารบการถามปัญหาแใ่องค์สมเด็จพระสัมส ม, มาสัมพุทธเจา้าโ <c oughs> ดยพิจารณาหนว่าจะถือว่าเป็นการรบกวนเคินไป ด้วยว่าถ้านาฬิพกาเศรษฐีก็ดีนาวิสาขามหาบาศิกายก็ดีสละทรัพย์มากเพื่อพระพุทธเจ้าและเพื่อบรรดาพระสงฆ์ท <c oughs> ั้งหลายเมื่อถามปัญหาแล้วก็เกรงว่าองค์สำเร็จเท้จอมไตรบรมศาสัญญาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงคิดว่าท่านผู้นี้มีอุปการะใหญ่แก่เราก็จําจะต้องเทศจําจะต้องตอบ ท่านจริงคิดว่าถ้าพระพุทธเจ้าเจ็บสงเคราะหก็หอยสงเคราะ์เอง <c oughs> จริยานี้ขอท่านผู้รับฟังท่านหลายรับฟังแล้วก็นําเอาไปคิดคิดแล้วก็จงปฏิบัติตามนี้เพื่อการฟังพระสูตรไม่เพียงฟังนิทานจะได้นําเรื่องมาเล่ากันเพื่อความสนุกเฉยๆอย่างเดียว พระสูตรย่อมเป็นประโยชน์กับบรรดาท่านพุทธศาสนิกนชนผู้รับฟังในข้อวัดปฏิบัติเวลานี้เราจะพบกันบ่อยๆว่ามีชาวบ้านบางท่านเนื้อบางทีก็ชาวัดเองเหมือนกันเอเข้าไปหาพระก็มีความรู้สึกว่าพระนี่เป็นท่าสาหรับรับใช้ จะต้องการพบอะไรจะหาอะไรจะใช้อะไรเมื่อไรก็ต้องใช้ได้นี่ผมเองก็พบมากระตุนบ่อยๆรู้สึกสงสารคนพวกนี้ว่าเกิดเป็นคนมาได้เพราะใส่ความดีมีศีลเป็นต้นจิงเกิดมาเป็นคนและที่มีทรัพย์สิน ก, ก็เพราะใสยทานเป็นสำคัญจึงมีของใช้สอย ที่มีปัญญาอยู่บ้างก็เพราะอาศัยธรรมที่เคยประลบมาก่อนมากหรือน้อยก็าตามเป็นเหตุให้คุณมีปัญญาคนอบรมธรรมมากก็มีปัญญามากอบรมธรรมน้อยก็มีปัญญาน้อยแต่เมื่อเกิดมาเป็นคนกลับมาทิ้งความดีเสียเห็นว่าพระเป็นท่าจใช้อะไรก็ใช้ได้ทุกอย่างเมื่ อ, อไรก็ได้ตามความตระหนากของตน คนประเภทนี้ผมลบบัญชีจากในฐานะที่เป็นมิเกสแล้วดันั้นจะเป็นใครก็ตามถ้าไม่เคารพในระเบียบหรือว่าไม่มีความรู้สึกว่าผมไม่ใช่พระผมจะไม่คบคนนั้นทันทีดัง <c oughs> น้นขอบรรดาท่านหลายโปรดทราบตามนี้ความรู้สึกของท่านจะเป็นยังไงนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ผมทำมาแล้วทุกอย่างเรื่องตามใจคน ตามใจบางทีเกือบจะ่าฝืนะธรรมวินัยเราจะต้องลำบากด้วยประการทั้งปวงแต่ว่าคนทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้เคยเห็นความดีขณะใดถ้าเราทำตามใจเขาได้เขาจะพอใจถ้าขณะใดที่เราไม่สามารถจะปฏิบัติตามใจเขาได้นั่นเขาจะประกาศตนเป็นศัตรูทันที จะได้ขอท่านหลายในฐานะที่เป็นสาวกข้อองสมเด็จพระจินสีจงอห่่ใช้จริยาเลวอย่างนั้นแล้วก็จงใหญ่เห็นกับบุคคลที่ถือว่าเป็นพวกกันเป็นเพื่อนกันเป็นพี่กันเป็นน้องกันเป็นบุคคลผู้มีคุณเราจงถือระเบียบระวินัยเป็นสำคัญเรื่องใครจะเป็นอะไรนั้นไม่มีความหมาย ถ้าบุคคลผู้นั้นไม่รักษาระเ บ, บียบวินยัยเราจะคบคนนั้นไม่ได้เพราะจะทำเราไปสู่ความเลวและก็ดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้านนะพระชนะเป็นสายชาติเป็นเพื่อนกันรักกันมาตั้งแต่เด็กเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กเมื่อพระช น, นะไม่ปฏิ บ, าาบัติตามระเบียบวินัย องค์สมเด็จไตจอมไตรก็ทรงมีพระพุทธดีกาให้มันดาพระสงฆ์ท่านหลายลงพร ม, มทันทันทีโดอไม่พูดด้วยไม่คบหาสมาคมด้วยฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นสาวกของค์สมเด็จระสมมาสัพพุทธเจ้าจงถือจริยานี้เป็นเครื่องปฏิบัติความดีจึงจะมาถึงเราตอนนี้ไปก็ขอเล่าเรื่องต่อมาวานนี้ กล่า ว, ว่าภายหลังวันหนึ่งกดุมพีที่มีนามปาละมหาปาละคือมหาบานที่ผู้เป็นที่เห็นหมู่พระอริยาสาวกผู้มีมือถือเครื่องสักการะบูชามีของหอมระเบียบดอกไม้สดดอกไม้ที่จัดไว้ดีแล้วสวยสดงามเปน็นต้นไปสู่วิหาร ท่านผู้รับฟังปโปรดทราบพระอริยส า, าวกโคนนี้ไม่ใช่พระสงฆ์ที่บวชในพระพุทธศาสนาเป็นชาว บ, บ้านที่เป็นพระอญญ า, าิยเจ้าคือตั้งแต่พระโสดาสีทาคานาคารหันดังนั้นพวกเราที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนา ถ้าเราไม่มุ่งมั่นในความเป็นพระอาญาเจ้าก็น่าเส้นใดข้าวเส้นใด้แกงที่ชาว บ, บ้านเขาเลี้ยงจงจะพฤตปฏิบัติในด้านพระธรรมวินัยให้เคร่งครัดอย่างน้อยที่สุดควรจะทําสมาธิจิตให้ได้ถึงฌานสมาบัติแม้แต่ฌานโลคีก็ยังไม่เสียทีที่ชาว บ, บ้านเขาเลี้ยงเปลืองข้าวเปลืองปลาเปลืองเงินเปืองทอง พอจะชดใช้นี่เขาได้บ้างตามสมควรถ้าทานที่ดีควรมุ่งเอาเริยผลจะได้หรือไม่ได้ไม่สาคัญเราตั้งใจรวอว่าเราจะต้องการปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอรหันต์เมื่อเราตั้งใจไว้สูงแล้วเราก็เลวน้อยเพราะว่าต้องการผลใหญ่ในการปฏิบัติมื่มาคุยกันต่อไป ท่านมาหาบาเลเจริถามบรรดามาหาชนทั้งหลายว่านี่ท่านทั้งหลายไปไหนกัน <c oughs> บรรดามาหาชนทั้งหลายเหล่านั้นคือพระเดียเจ้าทั้งหมดที่เป็นครวัต <c oughs> เจริตอบว่านี่พวกฉันไปฟังธรรมแล้วพระคุณนะท่านมหาบาลยจริฐามว่าฟังธรรมที่ไหน ปรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายก็ตอบว่าไปฟังธรรมที่พระมหาพระมหาวิหารมีองค์สมเด็จพระพิธิตมารบรมศาสัญดาสัมมาสัมพุทธเจา้สาสอนแสดงไพเราะจับใจมากเป็นการยากเหลือเกินที่เราจะพบพระพุทธเจา้าและก็เป็นการยากอย่างยิ่งที่เราจะได้พบพระอริยสง์ พ็ฟังเพียงเท่านี้เพาืาอได้ความดีของท่านมหาบานที่สั่งสมมาแล้วแต่อันดีแต่การตามที่กล่าวมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ว่าเกิดเป็นคนเพราะอะไรเมื่อท่านเกิดมาเป็นคนแล้วก็มีใจเป็นมนุษย์คือมีใจสูงรักระเบียบวินัยรักความดีพอได้ฟังคำว่าองค์สมเด็จปัญินสีเท่านั้นธรรมปีติก็เกิดขึ้น คิดในใจว่าเราก็จะไปฟังได้เราจะไปฟังบ้างเขาไปได้เราก็ไปได้เพราะอะไรเพราะว่าเขาไปกันแล้วเราก็จะไปบ้างท่านด้วยเวลาเมื่อเห็นชบ้านเขาผ่านไปคือพระอริยเจ้าทั้งหลายเท่า น, นั้นผ่านไปท่านก็นเดินตามไปบ้างเมื่อไปถึงแล้วก็ถวายบังคมองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า แล้วก็นั่งอยู่ท้ายไกลที่สุดก็มัแก่ของบรรดาห ม, มประชาชนดั่ดมดั่มวาลีถึงกล่าวว่าธรรมดาว่าพระพุทธเจ้าทั้ทงหลายเมื่อจะทรงสแสดงธรรมจะต้องพิจารณาทุกวะอุปนิสัยคือคุณความคุณดีคุณงามความดีของบุคคลทั้งหลายว่าหนึ่งต้องการให้บุคคลผู้นั้น เป็นผู้มีสนาคมมีความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและพระอริยสงฆ์ด้วยปัญญาที่พิจารณาเห็นแล้วไม่ใช่อยู่ๆก็ไปนั่งบอกว่านี่ต้องนับถือฉันนะพระองค์ทรงอธิบายเหตุอธิบายผลให้เขามีความเข้าใ จ, ร า, ร, ร, จรายการรี่สององค์สมเด็จพจอมไตรทรงพิจารณาว่าเราจะต้อง เทศให้บุคคลนี้มีความเข้าใจในศีลรู้คุณที่จะพึงสมาทานศีลปฏิบัติศีลว่ามันมีความสุขยังไงและรู้จักโทษของการละเมิดศีลอย่างที่มันได้ยินเสียงว่าตอนเย็นว่าศีลห้ารายการย่อมเป็นปัจจัยให้โลกเป็นสุขได้และรายการที่สามองค์สมเด็จพระจอมไตรจะต้องเทศ ให้เห็นประโยชน์ของการอุปสมบทบรญชาเป็นต้นกันละอสําเร็จพุทธสัพพลพิจารณาอย่างนี้แล้วจึงจะทรงเทศถ้าพิจารณาว่าถ้าเทศไปคนไม่เข้าถึงสน า, าคมไม่เข้าถึงศีลและไม่พอใจในการบรญชาอันนี้ไม่สําคัญสําหรับสน า, าคมต้นกับศีลเป็นเรื่องสําคัญมาก ถ้าคนจะเข้าไม่ได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่ทรงเทศเพราะว่าเทศแล้วก็ไม่มีประโยชน์ดูตัวอย่างในสมัยเมื่อพระองค์ทรงเสด็จไปโปรดทพระบุญญาติมีสมเด็จพระราชวิดาเป็นต้นเมื่อเข้าไปครั้งแรกบรรดาประชาชนที่เป็นญาติไม่เคารพในพระองค์พระองค์ก็ไม่เทศ ยังได้ทรงสแสดงปาฏิหารให้ปรากฏเมื่อละพยศบรรดา ญ, ญาทาั้งหลายดังนั้นได้แล้วองคสมเด็จพระบพิีรแก้วจิงสนองทรงสแสดงพธรรมธทีนานี่เราเราก็เหมือนกันจำจะิยาของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ถ้าใครเข้ามาเพื่อศีลเพื่อธรรมเราพอใจในการรับ ได้บุคคลที่มาไม่มาเพื่อเสื่เพื่อทำก็จงอย่าสนใจบุคคลนั้นจงอย่าคิดว่าเขามีฐานะดีจงอย่าคิดว่าเขามีความร่ำรวยจงอย่าคิดว่าเขาเคยเคยเลือกูเราในส่วนตัวเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องขขาส่วนตัวเรื่องพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาจงอย่าแสแดงธรรมกับบุคคลพวกนั้นเราให้การต้อนรับได้ตามสมควร แต่ว่าไม่คือใต้ผิดระเบียบพินัยกรรมธรรมะแล้วคุยกันต่อไปเมื่อองสมเด็จพระจอมไตรบริมศัส์สันดาหในวันนั้นทรงทอดสรทอดส้นเทศเหวบนิสัยของท่านมหาบาลแล้วสมเด็จพระพุกธเจ้าจึงไดง้ทรงแสดงทำห้าประการที่เรียกว่านกปุพพิถา นี่อย่าลืมนะว่าการนำเรื่องสุดมาเล่าสู่กันฟังครั้งนี้ต่อไปนี้ถือให้เป็นการศึกษาไม่ใช่เล่านิทานฉค่นั้นแต่ในเรื่องถ้าจะจบได้ก็าอาจจะนานเมื่อเมื่อพูดไปแล้วอธิบายไปแล้วก็หวังว่าบรรดาทุกท่านจำได้แล้วก็ปฏิบัติได้ด้วย <c oughs> ถ้าจำไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เหตุเดือร้อนจะพึงเกิดกับท่านเพียงใดนั่งคอยถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านที่ไม่รักความดีเมื่อองค์เลดตจินสีพิจรนาเห็ุปนิสัยความดีของท่านมหาบาลยืงเลดโชว์สแสดงวัรรมทศสนาห้ารายการที่เรียกว่านุปคือคาถา อ น, นุปพิกษฐ า, านแสดงวาจาที่กล่าวตามลำดับของคุณเทียบะึงเข้าถึงหรือโทษองสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงโปรดเทศแบบนี้คือหนึ่งทานใน ก, กาถาองสมเด็จพระโรมัสดดาา ส, สันดาทรงอธิบายให้เข้าใจในเรื่องของทาน ว่าการให้ทานนี้เป็นความดีคือเป็นปัจจัยแห่งการผูกมิตรสร้างความรักให้เกิดแก่บุคคลผู้รับทานและสร้างความสุขให้แก่บุคคลผู้ให้เพราะบคุคคลผู้ให้ย่อมจะได้เป็นผู้ที่รักคือคนรักทายเขารักเมื่อเรามีคนรักมากเราก็มีความสุขมาก เลยบริกรารหนึ่งทานเป็นปัจจัยตัดความโลกซงเป็นรากเหง้าของอกุศลนี่เขากล่าวโดยย่อข้อดีสององสมเร็จพระทศพลทรงจัดทัง้งศีลและคาถาคําว่าคาถานีหรือว่าคาถานี่แปลว่าวาจาเป็นเรื่องกล่าวกล่าวถึงเรื่องศีลพัฒนานความดีของศีลตามที่พัฒนาตามมาแล้วในตอนของ เจรณะสิบห้าก็ฟังกันมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็ฟังแล้วแล้วต่อจากนั้นไปก็กล่าวถึงอ น, นิสงค์ทานและอ น, นิสงค์ศิ้คือให้ทานก็ดีรักษาสิ้ก็ดีตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์ต่อไปองค์สมเด็จโตทรงทานก็กล่าวโทษทั้งของการมมาคุณคือความเลวทรามและความเศร้าหมองทังการมทั้งหลาย หมายความว่าถ้าเราจิตใจเราหมกมุ่นอยู่ในกามะคุณคือมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันก็ให้เป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ไม่มีอะไรเป็นความสุขและต่อไปองค์สมเด็จตัวสัมมาสมุทธเจ้า ก, ก็ต้องกล่าวถึงอานิสงส์แห่งการแห่งเนฆะมะคือการออกบทในพระพุทธศาสนาได้แก่การยกตนให้พ้นจากห้วงน้าคือกิเลส อามารังสาพเพื่อถึงพรหมจันทร์อย่างที่เราบวชพระบวชเลงกันบวชชีและบรรดาทรรมปุทธบริษัทที่ม่ไดบวชชีแต่ได้ว่าก็ถือศีลถือทานเหมือนกับการบวชชีอย่างนี้ก็ถือว่าในขมบรมีเพราะว่าเราตัดกรรมคุณเช็จแล้วมาประพฤติพรหมจันทร์ตามพระบาลีที่กล่าวต่อไป ว่ากุดุมพีมหามบานได้สันดับแล้วก็คิดว่าหมดและทินได้ก็ดีผู้เสมบัติคนดีย่อมไปตามผู้ไปสู่ปรโลกไม่มีจำให้ดีนะท่านมีความรู้สึกว่าฟังเทศแล้วพวกเราเคยคิดบ้างไหมเราฟังกันทุกวันนะลืมหรือเปล่า ท่านคิดว่าลูกคนดีลูกหญิงคนดีลูกชายคนดีทรัพย์สมบัติทั้งหลายคนดีไม่ตามคนไปสู่โลกหน้าคําว่าปรนโลกหมายความเป็นโลกหน้าที่ตายไปแล้วเนะีะยสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เขาไม่ได้ตามไปเราตายไปเราไปตกนรกเราไปขึ้นสวรรค์เราไปเป็นพรมเราไปแต่ผู้เดียวทรัพย์สินที่หาไม่ได้มากมันก็ไม่ตามคนตายไป ลูกหญิงลูกชายแล้วพันยาสามีเขาก็ไม่ได้ตามไปเราไปแต่คนเดยียวถ้าคิดต่อไปว่าแม้เสรสรีระร่างกายคือตัวของเราเองมันก็ไม่ตามเราไปประโยชน์อะไรของเราในการอยู่ครองเรือนเราจะบวชตั้งใจบอกเราจะบวชคนนี้ตัดสินใจบวชแน่ นี่ท่านเล่นสันส้นๆมายัางเองบาลลีฮะไดนกล่าวต่อไปว่าพอจบระธรรมเทศนาท่านมหาบาลก็เข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าทูลขอประสมบทบันประชาเวลานั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงตัดว่าตัดถามเขาว่ามหาบาล ญาติของท่านนะมีบ้างไหมที่ต้องลําลาเขาท่านมาหาบายก็กราบทูลองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าว่ามีผู้พระพุทธเจาา้าข่ามีน้องชาย <c oughs> สมเด็จพร้จอมไทยจึงในสมเด็จว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงบําลาหน้องชายของเธอเสียก่อนมิเช่นนั้นเราบวชให้ไม่ได้ <c oughs> เมื่อเขารับพระพุทธดีกาเขาองค์สมเด็จพระจอมใจแล้วจังได้ถวายบังคมลาองค์สมเด็จพระบาทีแก้ว <c oughs> กลับไปถึงบ้านแล้วเรียกน้องชายเข้ามาหาแล้วก็บอกว่านี่น้องพี่ขอมอบทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่มีอยู่นี่จะเนสียงที่มีชีวิตก็ตามไม่มีชีวิตก็ตาม ทุกอย่างยกให้เป็นของเจ้าที่มีในต่ือน น, นี้เจ้าจงบริโภคทรัพย์ทั้งหมดหมายความจงปกครองทรัพย์ทั้งหมดดูแลทรัพย์ทั้งหมดถือว่าทรัพย์ทั้งหมดนี้เป็นสมบัติของเจ้าแต่ผู้เดียวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเสําหหรับท่นนบบานจุลบาลพู้ธนองชายทักสงสัย ว่าพี่ชายของเรานี่สติดีแล้วไม่ดีก็ไม่รู้ยยนนยยอยู่่ก็มันนั่งยกรั์สมบัติให้เฉยๆน่าคิดยีงไม้ถามว่าก็ถ้าอย่างนั้นพี่จะไปไหนแล้วพี่ท่านพี่ชายก็ตอบว่าฉันจะไปบวชในสำนักพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้องชายตกใจยังไม่บอกว่าพี่ เมื่อมารดาขขาเราตายเช้งก็ถือว่าพี่เป็นมารดาเมื่อบิดาตายเช้งก็ถือว่าพี่เป็นบิดารวมว่าพี่เป็นทั้งมารดาและบิดาด้วยเจ้ทรัพย์สมบัติเขาเรามีมากมายทั้งหลายสิกรรวมกันแล้วร้อยกรดกว่าท่านอยู่ครองเรื่องอย่างนี้จะทําบุญแบบไหนก็ทําได้ จะสร้างบทวิหายการเรียนรสกีสิบโกรธก็ทำได้เช่นเดียวกัาถ้านาฬิกาเศรษฐีสนาวิหารมีสาขามหาวบาสิกาพี่ก็ทำได้จะไปบทเลยพี่ท่านมหาบายกล่าวว่านี่พะคุณฉันฟังบัณฑิเิสนาพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแล้วพระองค์ทรงเทศเพราะจริงๆ อาเพื่อพระองค์ส่วนตัดสมาธิแกนีมีแสดงทรมีคนคุณภัยระเท่งเบื้องต้นท่านท่ากลางและที่สุดคำว่าเบื้องต้นหมายถึงว่าศีลอธานท่ากลางหมายถึงศีลขั้นดีสุดหมายถึงวิปัชนายานยํำไว้ดีนะ ถ้าไปได้ยินที่ไหนก็บอกว่าพระพุทธจเจ้าทรงเทศไฟระทั้งเบื้องต้นทั้งทัากลางในที่สุดจึงจำไม่ได้ว่าเบื้องต้นคือทานทัางกลางคือศีลที่สุดคือวิปัสสนาญาณคือภาวนาพระองค์ทรงยกขึ้นสู่ตรายดัษนียานอันละเอียดสุ ข, ขุมคำว่าตรายดัช ก, ก็ได้การนิจังหาความเที่ยงไม่ได้ ทุกครั้งมีแต่ความทุกข์อนัตตาในที่สุดก็สลายไปนี่หมายถึงว่าสิ่งที่มีชีวิต ก, ก็ดีไม่มีชีวิต ก, ก็ดีที่ปรากฏมามีในโลกนี้ไม่มีอะไรทรงตัวมันไม่เที่ยงมันเคลื่อนไปอยู่เสมอถ้าจิตเราไปเกาะว่ามันเป็นเราเป็นของเรา เมื่อจิตกลาะว่าเป็นเราเป็นพวกเราเราก็ไม่ต้องไม่ต้องการให้มันเคลื่อนไปให้มันทรงตัวถ้ามันเคลื่อนไปมันเสื่อมไปมันส่วนไปอารมณ์ใจมันก็เป็นทุกข์เพราะมันไม่เป็นไปตามความตั้งใจถึงแม้ว่าเราจะยึดจะถือจะดึงมมนขนาดไหนก็ตามในที่สุดมันก็พังและผู้ใจเจ้าทันเทศอย่างนี้เป็นที่ชอบใจของพี่มาก แต่ความจริงที่กล่าวมาเมื่อกี้นี้ไม่ใช่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเทศน์อย่างนั้นท่านเทศน์ดีกว่านั้นที่นามาพูดใน้ฟังนี้ก็พูดในฟ้ฟังไปเพียงย่อดๆมิฉะนั้นก็ลําคลกันแย่เรื่องนี้ไม่ไปที่ไหนแน่แล้กล่าวต่อไปว่าทำนั้นที่ใครๆก็ไม่สามารถจะบำเพ็ญให้บริบูรณ์ได้ในฐานะที่เป็นผู้ครองเรียนฉะนั้นฉันจะต้องบท เป็นอันว่าฉันบวชแน่เรื่องทรัพย์สินทั้งหมดเธอปกครองฉันไม่ห่วงไม่ใยอะไรทั้งหมดนางชายก็พยายามจะยับยัง้งกล่าวว่าท่านยังหลงอยู่ในพี่ชายเอาไวบ้บวชตั้งแต่เป็นคนแก่ดีกว่าท่านผู้เป็นพี่คือมหาบาล ย, ยังกล่าวว่าก็มือและเท้าของคนแก่แม้แต่ตัวคนตัวเองก็ยังว่าไม่ฟัง มันไม่เป็นเปได้ห น, น้าของเราคือเราบังคับบัญชามันไม่ได้จะกล่าวอะไรจะทําอะไรทิ้งญาติทังไลฉะนั้นอย่าไม่จะเขาเราจะต้องไม่ทําตามถ้อยคําของน้องชายของเราเราจะบำเพ็ญสมณธรรมให้สมบูรณ์นี่เป็นความรู้สึกของท่านเมื่อน้องชายยับยั้งท่านคิดว่ามันเรื่องอะไร ให้ร่างกายของเราเองนี่เรายังห้ามอย่าปราบไม่ให้มันซุดเนโสมไม่ได้แล้วก็จะยังทรัพย์ ส, บ ส, บสมบัติทั้งหลายจะมีประโยชน์อะไรสําหรับเราแม้ถ้อยคำของน้องชายไม่มีความหมายสําหรับเราถ้าเราเชื่อเขาแล้วก็จมอยู่ในความทุกข์แบบนี้นี่ฟังแล้วก็จำจำแล้วก็คิดคิดแล้วก็พยายามไข้ควนใช้ปัญญาดูแล้วพยายามตัดอารมณ์ที่เราเกาะใ้ร่างกายเราทรัพย์สินเสีย ดูตัวอย่างท่านมหาบาลเป็นสำคัญดัะ <c oughs> นั้นท่านยกล่าวเป็นภา ษ, ษิตว่ามือละเท่าของผู้ใด <c oughs> สุดเส้นไปเพราะเจราว่ามันว่ า, วามันก็ไม่ฟังผู้นั้นมีเรี่ยวแรงอันชจรากำจัดฉันแล้วหมายความความแก่เข้ามาเรี่ยวแรงก็หายไปจะไปพุทธธรรมได้อย่างไรพ่ออคุณน้องชายฉันยอมไม่ได้ฉันจะบวช คือมองในเวลาวันนี้ก็เลยยังไม่ได้บทท่า <c> น <oughs> บอกแล้วมิเราฟังกันเพื่อการศึกษาไม่ฟังเปน็นนิทานฉะนั้นขอบันดาท่านหลายที่ฟังมาแล้วถ้าจะย้อนไปเวลามันเหลือในหนึ่งนาทีไม่มีความหมายเมื่อฟังแล้วก็ต้องจำจำจนแล้วก็ต้องคิดคิดแล้วปฏิบัติตามเอาตัวอย่างมหาบาลใ่สําคัญ ว่าคนที่จะเข้าถึงบารหมีได้ในเขานึกกันอย่างนี้เขาคิดกันอย่างนี้นี่ท่านฟังเทศเป็นครั้งเดียวท่านเมรุลมอย่างนี้แล้วก็พวกเราฟังกันทั้งวันวันละสี่ครั้งบางทีก็เกินกว่านั้นถ้าคิดอย่างนี้ไม่ได้ก็ น, น่าเสียดายเวลาที่ถึงเกิด阿拉สำนักวันนี้เวลาที่จะพูดกันต่อไปมันก็ไม่มีแล้วหมดแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงตรงนี้ ขอความสุขสวัส ด, ดีจงมีแด่สาวก ข, อ, ข อ, ององค์สมเด็จตถาสมมาลสมุทธเจ้าทุกท่านสวัส ด, ดี